ถ้าจิตเราไปยินดีก็รู้ทัดถ้าจิตเป็นกลางก็ไม่เป็นไรเราก็อยู่กับภาวะอันนี้ก็ได้แต่ว่าอยู่ด้วยความเป็นกลางแต่ถ้าหลงยินดีเมื่อไหร่ก็ติดเลยเพราะว่ามันสบายรู้ไหมมันกระจายคือตัวความตั้งมั่นถ้าใจเราตั้งมั่นนีมันจะเกิดปัญญาง่ายจะเห็นทุกแต่ถ้ามันอย่างนี้มันสบายสบาย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 สภาวะนี้เกิดขึ้นถ้าเรายินดีพุ๊บเราจะติดนะแต่ถ้าเรารู้ด้วยความเป็นกลางนะใช้ได้ไม่มีปัญหาเลยดีแล้วละ่ะเียลงพ่อพูดนะั้นนึกถ่าทำผิดเนี่ยจะไปรื้อทำใหม่เมื่อสามสิบหนีไปละดีแล้วนะฝึกไปมีปัญหาอะไรไหมไม่ค่อยได้ได้รู้สึกตัวเท่าไหร่ก็เลย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 ให้รู้ไปเรารู้สภาวะทั้งหลายเพื่อจะได้เห็นว่ามันเกิดแล้วดับไปฮะไม่ใช่เพื่อเอาอะไรสักอย่างเดียวรู้เราก็สิ่งที่ได้มาคือได้ความเข้าใจได้ปัญญามาดาวเป็นไงืเออรู้ทันมลจงใจแล้วดีแล้ว แม่เรียนที่หลวงพ่อเนะอะไรก็ดีหมดเลยมารายงานบอกกีเลยเยอะก็ว่าดีนะออมาบอกว่ารายงานบอกจิตตั้งมั่นก็ว่าดีอีกแล้วมันดีตรงที่มันเห็นสภาวะมันจงใจขึ้นมารู้ว่าจงใจก็ดีละอคุณแต้มดีนะใจมันตื่นดีล้วตื่นได้ดีแล้วคุณใหญ่เป็นไง หลังจากที่กลับจากวัดไปอะค่ะก็รู้สึกว่าสบายขึ้นนะคะหลวงพ่อปฏิบัติได้สบายขึ้นค่ะถ้าสบายอย่างมากก็อาทิตย์เดียวเนะี่ยมันเริ่มเสื่อมแลวธรรมชาติของมันเสื่อมงั้นถ้าเราฝึกเอาสบายนะเราก็จะสบายบ้างลำบากบ้างไปเรื่อยๆถ้าฝึกให้เห็นว่าสภาวะทั้งหลายไม่เที่ยงใ้้ยิ่งดูไปก็ยิ่งเกิดปัญญานะบุคคลถึงความบริสุทธิ์ด้วยปัญญาจะบอก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 เช่นอยากให้จิตดีสาวอน้อยอยากให้มันสุขถาวล้วมันฝืนใจรักยังไงก็ยากเพราะไม่มีทางทำได้แต่ถ้าฝึกเอาความรู้ความเข้าใจรู้ระวางรู้ระวางไม่มีอะไรวันหนึ่งเข้าใจความจริงใจก็าวางวางสนิทเลยไม่ไปหยิบมาอีกก็สบายใช่จานจุนอยู่ไกลกันเนาะ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 กลับจากวัดไปก็แย่ๆหลงครับหลวงพ่อครับอะไรนะอ่ะพอหลังจากกลับจากวัดช่วงนั้นก็ดูว่ามันมันไม่รู้สึกดีเหมือนอยู่วัดนะครับแต่ว่าก็เห็นทุกข์ที่เคยเธอแย่กับมันตอนนี้มันไม่ได้แอ้มเท่าไหร่ครับก็รู้ทันบ้างครับดีแล้วรู้ไปไม่ได้ฝึกเอาสุขไม่ได้ฝึกเอาดีไม่ได้ฝึกเอาสงบนะ ถ้ากาจะสุขจะดีจะสงบทุลักทุเล่ล้มลุกลุกลาลตลอดชีวิตแหละฝึกเอาความรู้ความเข้าใจทุกอย่างชั่วคราล์นะทุกก็ชั่วคราล์สุขก็ชั่วคราวดีก็ชั่วคราวชัววช่วก็ชั่วคลาล์นะอย่าละเอียดภายในภายนอกของชั่วคราวทั้งหมดนฝึกไปแล้วในที่สุดใจจะเป็นกลางกับโลกคําว่าโลกก็คือขันท่ากายกับใจเป็นกลางเป็นกลางแล้วไม่ทุกข์แล้ว คุณชาตพรส่งกันบ้าน จ, จันจุนดีใจก่ อ, อไปกับงานเยอะอะแล้วก็ก่ อ, อไปกับอารมณ์เยอะก็ขยันดูนะคำว่างานเยอะเป็นข้อแก้ตัวของนักปฏิบัติ <c oughs> งานเยอะงานเยอะก็ไม่ได้แปลว่าไม่ได้ทำนะทํางานเยอะอย่างใจเราเครียดเรารู้ว่าเครียด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 ทำเอาวิปัสสนาไม่ยากอะ่ะใจมันฟุ้งอยู่กับงานรู้ว่ามันฟุ้งไปกับงานรู้อย่างที่มันเป็นสบายจันจุนนะจันจุนเกรงไหครับถ้เาเกรงก็รู้ว่าเกรงนะแล้วก็รู้ได้เรื่อยๆครับดีแล้วจันจุนที่ทําอยู่ดีนะทั้งสอง ค, คนอะ่ะดีละของคุณชาติพรใจมันถลำไปข้างนอกนิดนึ่งท่านนี้ดูออกใช่ไหม หลวงพ่อครับเวลาเจอภาษาแรงๆอย่างนี้มันยังหนีอยู่อ่ะครับมันอะไรนะมันหนีอ่ะครับมันหนีคมันหนีเพราะมันรักสุขเกลียดทุกข์รักดีเกลียดชั่วเะไรยนี้ก็อยากหนีถ้ารู้ทันน้ําก็ไม่หนีหรอกรถ้าเราไม่หนีมันมันก็หนีเรานะเพราะมันของไม่เที่ยงอย่างบางคนบอกเป็นทุกข์โอ๊ทอยทํายังไงจะหายทุกข์ไม่ต้องทําอะไรหรอกอย่าไปทําอะไรสิเราหายทุกข์เลย ยิ่งถายิ่งทุกข์คุณนุวิทย์เป็นไงเยี่ยมท่านอาจารย์ที่นี่ยังไม่ได้มาอะไรนะมามามาเยี่ยมท่านอาจารย์ได้เฉยมาเยี่ยมก็ดีแล้ะมาไม่ค่อยได้ทําเท่าไหร่ไม่ทสารภาพแต่ว่าเข้าใจฮะจารที่ท่านอาจารย์พูดถึงก็พยายามอยู่ครัแต่ว่ามันกิจยังสมบูรณ์เข้าใจสิ่งที่อาจารมาพูดนะไม่ค่อยได้เท่าไหร่หรอก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 อะไรนะพยายามทําที่ททาา ด, ดีแล้วดีแล้วที่ทําอยู่อะดีแล้วล่ะอาจารย์บ้างไงก็มากราบนมัสการท่านอาจารย์แล้วก็มีมีอะไรจะถามนิดหน่อยอะอย่างเ<ต>มื่มออกี้คือแต่เมื่อกี้อาจารย์ก็ได้ตอบคําถามไปเยอะแล้วจากการที่อาจารย์ตอบคนอื่นใช่ไหมคะว่าการทํางานเนี่ยจะเป็นอุปสรรคทาให้เราปฏิบัติได้ช้าหรือเปล่า แต่ตอนนี้บางครั้งอะไรที่มันละเอียดมันก็ต้องมีเวลาแล้วก็มีจิตที่เป็นสมาธิพอสมควรที่จะเข้าใจปรากฏการณ์ของเผลอไปแล้วเนาะคุยไปเรื่อยๆแล้วเผลอละรู้สึกไหมต้องรู้สึกตัวเรื่อยๆรู้สึกบ่อยๆใจของเราชอบหลงไปในโลกของความคิดหลงมากที่สุดที่หลงไปคิดนั่นแหละ ขณะที่เราลงไปคิดเรารู้เรื่องที่คิดเรื่องราวที่คิดเป็นอารมณ์บัญญัติเพราะฉั้นขณะนั้นเราจะรู้กายรู้ใจไม่ได้จะลืมกายลืมใจเพราะฉะนั้นการที่เราลงไปคิดในีศัตรูหมายเลขหนึ่งทำให้รู้กายรู้ใจไม่ได้ศัตรูหมายเลขสองไปเพ่งเอาไว้เพ่งกายเพ่งใจกายกับใจก็นิ่งๆนิ่งๆไม่สแสดงใจรักให้ดูบางคนนะมาบน บอกไม่เจอหลวงพ่อสี่ห้าปีนะเจอหน้าเขานะสอนเหมือนเดิมเปียบเลยก็ยังปฏิบัติเหมือนเดิมนะ่ะหนีไปแล้วอาจารย์รู้สึกไหมรู้สึกไหมเราเริ่มบังคับมันเริ่มบังคับละทำสบายๆอย่าบังคับนะทำอะไรอยู่หืม จิตเคลื่อนไปนะจิตเคลื่อนไปรู้ทันเป็นยังไงรู้ทันรู้ไปเรือหัรู้สภาวะบ่อยๆถ้าจำสภาวะได้แม่นให้สติเกิดเองเกิดทีทีอย่าไปบังคับมันนะบังคับเยอะไปให้รู้เล่นๆเอาอย่างคุณนุวิทย์น่ะดูสบายๆต้องสบายนะปฏิบัติเออต้องปล่อยออกมาอย่างนี้ไม่ไปตรึงไว้อย่างแต่กี้ไม่เอานะตรึงอย่างนั้นเสียเวลา ให้มันเคลื่อนไหวจิตใจเราเป็นยังไงเรารู้ตามที่มันเป็นสังเกตไหมใจเราไม่คงที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆดูออกไหมเมื่อกี้ความรู้สึกไม่ได้เป็นอย่างนี้ดูออกไหมเนี่ยดูอย่างเนี้ยความรู้สึกทั้งหมดเสมอภาคกันนะเเราดูเพื่อให้เห็นเลยทุกอย่างมันชั่วคราวเนี่ยขนาดนี้กับตะกี้ก็เริ่มไม่เหมือนกันอีกแล้วดูออกไหมเนี่ยดูเพื่อให้เห็นแค่นี้ไม่ได้ดูเอาดีอะไรหรอกไม่ได้ดูเอาสูงเอาสองบเอาดีอะไร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 ถ้าเราฝึกจนกระทั่งเรารู้จักความรู้สึกตัวใจเราตื่นขึ้นมาตื่นที่เราแวบเดียวนะตื่นแวบขึ้นมาเราจะรู้เลยตะกี้นี่หลงไปแล้วก็ตื่นขึ้นมาตื่นก็อยู่ชั่วคราวดับไปกลายเป็นหลงอีกแล้วมาสติะระลึกรู้อีกหลงก็ดับความตื่นก็เกิดขึ้นมันจะสลับกันใ น, นที่สุดปัญญามันจะเกิดจิตจะหลงห้ามมันไม่ได้จิตจะตื่นสั่งให้ตื่นไม่ได้ ตื่นแล้วรักษาไว้ก็ไม่ได้มีแต่คําว่าไม่ได้เพระนั้นจิตที่หลงไปเป็นอกุศลกับจิตที่ตื่นขึ้นมาเป็นกุศลเสมอภาคกันนะแสดงไตรลักษณ์เท่าๆกันที่เราต้องเรียนคู่หนึ่งเพื่อจะได้เห็นไตรลักษณ์เียนคู่หนึ่งอย่งจิตมีราคากับไม่มีราคาเรียนหนึ่งคู่ก็ได้จิตมีโทสะกับไม่มีโทสะเรียนคู่เดียวนี้ก็ได้ะเรียนคู่เดียวก็จะเห็นไตรลักษณ์แล้วเพราะฉะนั้นธรรมะทา่านสอนไว้เป็นคู่คู่ธรรมะ แต่ต้องมีการเปรียบเทียบในตัวของมันเองอารมณ์กรรมาฐานทั้งหลายสังเกตดูจะไม่ใช่อารมณ์มันเดียวรวดจะเป็นอารมณ์ที่เป็นคู่คู่เช่นหายใจเข้ากับหายใจออกเปสภาวะโพลานกันยืนเดินนั่งนอนแต่ละอันแต่ละอั น, นนี่สภาวะโพลานกันเป็นสภาวะที่มีการเปรียบเทียบได้ทั้งหมดสุขทุกข์เฉยเฉยเป็นสภาวะที่เป็นคู่เหมือนกันอันนี้บางคนบอกว่าเป็นจี้นะมีสามาัญสุขทุกข์เฉยเฉย ทางเซนถือว่าเป็นสภาวะที่เป็นคู่เพราะไม่ใช่หนึ่งเดียวรวดเป็นคู่ทั้งหมดมีการเปรียบเทียบได้เรียนสุขทุกเฉยๆเพื่อให้เห็นว่าสามารถนี้หมุนกันอยู่ทั้งวันสลับกันทั้งวันไม่เที่ยงบังคับไม่ได้นะจิตที่เป็นกุศลเป็นอกุศลก็เป็นคู่คู่ะจิตมีราคากับไม่มีราคานี่คู่หนึ่งมีโทสะไม่มีโทสะคู่หนึ่งจิตหลงไปมีโมหะแต่จิตรู้สึกตัวไม่มีโมหะอีกคู่ะจิตฟุ้งซ่านจิตหดหูนี่คู่นสี่คู่ที่เหลือ ที่ท่านสอนไว้ในสติปัฏฐานนะั้นเป็นจิตของคนมีฌานเราไม่ได้เล่นฌานเราก็ไม่ต้องไปเรียนมันเรียนเท่าที่มันมีนั่นะเรียนเป็นคู่คู่เพื่อจะได้เห็นไตรลักษณนะ์อย่างรูปยืนรูปเดินรูปนั่งรูปนอนเนี่ยแต่ละรูปแต่ละรูปไม่คงทีนะ่ต้องเปลี่ยนนี่แสดงว่ารูปไม่เที่ยงรูปหายใจเข้ากับรูปหายใจออกนะี่ไม่คงที่ต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะนี่เรียนเพื่อให้เห็นไตรลักษณ์นั่นเอง ไม่ใช่เรื่องประหลาดมหัศจรรย์อะไรไม่ใช่เรื่องบังคับจะเอาเดียววิเศษอะไรนะไม่ใช่เรียนเอาสุขเอาความสบายเอาความสงบไม่ใช่เรียนกรรมฐานถ้าทำวิปัสสนาเราเรียนเป็นคู่คู่ไปเยวก็เห็นมีแต่ความแปลกปลนพอเรียนเห็นความแปลกปลวนได้ต่อไปวางได้มันปล่อยวางได้ปล่อยวางไ ด, งได้พ้นทุกนะพ้นทุกพ้นทุกเพราะปล่อยวางไม่ใช่พ้นทุกเพราะไปฝึกให้มันดี เห็นไหมอาจารย์จิตไม่เหมือนเดิมอีกแล้ว <c oughs> ดูออกก็ยากนี่แหละดีอย่างนี้เห็นไหมใจเราเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเรืยเราดูอย่างเป็นกลางเห็นไหมยิ่จิตเศร้าหมองดูไปมันหายเศร้าหมองมันไม่เที่ยงเนี่ยจิตที่รู้ตื่นเบิกบานเมื่อกี้เริ่มกลายเป็นจิตที่ค้นคว้าสแสวงหาอีกแล้วเริ่มรู้สึกไหมไม่เที่ยงอีกและเนี่ยดูเพื่อให้เห็นอย่างนี้ยนะให้เห็นว่ามันไม่เที่ยงไม่ใช่ดูเอาดีนะ งั้นมาเรียนที่หลวงพ่อเนี่ยลูกศิษย์มารายงานบอกหมู่นี้กิเลสเยอะเราชมอีกนะว่าดีะหมู่นี้สงบเรรู้ว่าสงบก็ดีหมู่นี้ซึมซึมไม่ได้เรื่องละนี่หรือหมู่นี้ไม่รู้เลยว่าเป็นยังไงนี่ไม่ได้เรื่องถ้ารู้อยู่นะกุศลก็ได้อกุศลก็ได้ไม่ว่าสักคําเลยะดีแล้วที่ทําอยู่ใช้ได้ใจมันรู้ตื่นขึ้นมาแล้วอา้าวบิ๊กส่งกันบ้าน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 เคยบวชอยู่ที่เมืองการจนหลวงพ่อพันษาหนึ่งวันหนึ่งหลวงพ่อไม่อยู่มีโยมมารู้ขึ้นเทศนะาทางภาพไปเป็นอาทิตย์เลยไม่ใช่พูดแล้วดีตลอดนะธรรมะเนี่ยอย่าพูดเดยอะธรรมะเราไม่ได้ไว้พูดนะเอาสั้นในพลเวลานั่งสมาธิเนี่ยก<อ>็จะตามรู้ได้ดี เห็นอาการเปิดดับได้ดีแต่ว่าในในในชีวิตประจาวันนี้จะตามรู้ได้เป็นเป็นขนาดขนาบางวันก็ดีบางวันก็ไม่ดีแต่ว่าเวลาเวลารู้ทันแล้วก็รู้สึกว่าเช่นเวลาลืมไปแล้วเวลารู้ทันเนี่ยก็รู้สึกว่ามันมันกระปรีกระเป๋าขึ้นเออใช่เวลารู้แล้วมันกระปรีก้กระเป๋าถูกแล้วแต่รู้บ่อย สมาธิก็ไม่ทิ้งนะสมาธิเอาไว้พักผ่อนเฉั้นแต่ละวันเราแบ่งเวลาทําสมาธิพอพักผ่อนพอแล้วเราก็ยังนั่งอยู่ได้นะนั่งดูความเปลีป่ยนแปลงอย่างบางคนนั่งหายใจไปเรื่อยๆพุทโธไปเรื่อยๆนะทีแรกก็เอาสงบพอใจสงบสบายก็รู้สภาวะไปใจสบายลวนะวหรือนั่งพุทโธพุทโธนั่งหายใจไปใจฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านอย่างนี้ก็ใช้ได้ คือถ้ามันไม่ยอมสงบนะก็เอาปัญญามันไปเลยงั้นตอนที่เรานั่งภาวนาอยู่นี่ทำสมาธิก็ได้ทำปัญญาก็ได้นะแล้วแต่แต่ละจังหวะไหนพอเหมาะกับอะไรก็เอานั้นแหละเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงได้เวลาปฏิบัติแบบแล้วบางทีรู้สึกว่าเมื่อสงบสงบรู้สึกไม่ค่อยอยากจะพูดอไม่ก็อยากจะพูดอะไรก็ใครดีแล้วเราคอยดูแต่ตรงที่ ที่จิตเป็นตอนนี้นะซึมมากไปนิดหนึง่งจิตติดความสงบมากไปติดสมถะเยอะไปนิดหนึง่งถ้าจิตไม่ได้ติดสมถะมันจะตื่นอยากกัะปรีก้กระเป๋าถ้าจิตไปติดสมถะมันจะซึมซึมไม่อยากยุ่งกับใครนะฝากไปดูตรงนี้นะถ้าติดเรารู้ทันเลยก็ไม่ติดอา้าคุณคนิษฐาทางจากหลวงพ่อไปเพราะว่าไม่สะดวกมานะคะหลานติดไปอบรม ไม่มีเพื่อนมาหฐานความประพฤติไม่ดีต้องไปอบรมไปอบรมก็ไปอบรมก็เลยไม่มีเพื่อนมาก็ดูที่บ้านเห็นความทุกข์แทบจะทั้งหมดนะครับชีวิตไม่มีความสุขจริงอย่างที่หลวงพ่อพูดต้อความสุขอยู่ข้างหน้าเห็นแต่เวทนาที่ได้รับการบําบัดเท่านั้นอืมดีแล้วนะดูลงไปกายก็ส่วนหนึ่งเวทนาก็ส่วนหนึ่งจิตก็ส่วนหนึ่งนะความคิดนึกปรุงแต่งก็อีกส่วนหนึ่ง ดูไปขันไม่ก็กระจายออกไปแต่ละขันก็ทํางานของขันไปไม่มีเราไม่มีค่ะแล้วไปดูพลุค่ะพุกฉาเดิมในหลวง60ปีก็ไปดูได้ที่ดีมากมเห็นเดี๋ยวนี้ไม่เห็นพลุไปเห็นเกิดดับเกิดดับเป็นพันๆเหมือนๆโอ้ดีสุดท้ายเห็นสุญญาตาเห็นมันติดีก็พลุไม่มีกับใครถ้าอย่างงั้นอย่าลืมถวายพระราชกุศล เราเป็นกุศลใหญ่ก็ส่วนยาตาที่จะเดินไปหมอกวันกลืนก็ไปกับผิวโลกสุดท้ายก็เหมือนฉากเดมเอมไม่มีอะไรดีแล้วดูไปงัน้นเลยดูภายนอกดูภายในภายในก็ว่างเปล่าไม่มีตัวมีตัวอะไรดีแล้วคุญสรัญจักษ์บางช่วงรู้สึกว่าบางวันเขาสองสามวันบางทีเขาจะดูรู้ตัวได้แบบรู้บ่อยอ่ะคะ่ะ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 ก็คือต้องหารูปแบบของการปฏิบัติมาสักอันหนึ่งเป็นเครื่องอยู่นะใครจะอยู่กับพุทโธก็ได้อยู่กับลมหายใจก็ได้อยู่กับท้องพองยุบก็ได้อยู่กับขยับมืออยู่กับอิริยาบถสีก็ได้อะไรก็ได้แต่ทุกวันต้องซ้อมคล้ายๆนักมวยซ้อมโชกกระสอบเป็นแชมป์โลกก็ชกกระสอบนักปฏิบัติก็ชกกระสอบเหมือนกันหารมกรรมฐ า, านอันหนึ่งขึ้นมาแล้วก็หัดดูสภาวะไปเรื่อย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 ขยับมีสิบสี่จังหวะขยับข้างนึงเจ็ดจังหวะฝึกเดินหกจังหวะเจ็ดจังหวะก็ได้เดินไม่มีจังหวะก็ได้เดินรู้สึกกายทั้งกายเห็นรูปมันเดินก็ได้เนี่ยยอ่างนี้รู้อิริยาบทสี่รู้อิริยบทใหญ่อริยาบทย่อยอะไรก็ได้นะรู้เวทนาก็ได้สายท่านโกเอนก้ารู้เวทนานี้จะดูจิตดูใจเอาก็ได้อะไรก็ได้เป็นเครื่องอยู่ไว้อันหนึ่งเราซ้อมซ้อมดูทุกวัน ไหว้พระส่วนมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมซ้อมอารมณ์กรรมฐานของเราให้ชำนิชำนาญถ้าสภาวะอะไรแปลกปลอมแวบบรู้ทันแวบบรู้ทันเรื่อยๆต่อไปสติจะเกิดบ่อยเราจะสามารถหลอมรวมการปฏิบัติคือการเจริญสติเข้าในชีวิตประจําวันได้ถ้าใครยังแยกการปฏิบัติทำออกจากชีวิตประจําวันนะอย่าพูดเรื่องมรรคผลนิพพานเลยชีโม้ไม่มีทางอ่ะชาตินี้ยังไม่มีหวัง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 วางฟอร์มบังคับกายบังคับใจนี่ผิดอีกแล้วสุดตรงไปอีกข้างหนึ่งแล้วข้างบังคับตัวเองตอนที่เดินมาทีแรกก็สุดตรงข้างหลงนะพอเข้าถึงเวลาปฏิบัติสุดตรงข้างบังคับตัวเองใช้ไม่ได้อีกแล้วจิตมีแต่สุดตรงสองข้างแค่จริงการปฏิบัตินะทุกก้าวที่เดินด้วยความมีสตินั่นแหละคือการปฏิบัติละคือการเดินจงกรมละ่นะงั้นเดินเจอข้ามถนนเดินอะไรนะมีสติอยู่ก็เรียกว่าเดินจงกรมอยู่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 มันรู้เองรู้สึกไหมเสียงะระฆังหล่นใจเราก็หล่นไปตามะระฆังรู้สึกไหมจริงๆไม่ได้มีอะไรยากนะการปฏิบัติหัดรู้สภาวะไปหัดรู้กายหัดรู้ใจไปอย่าใจลอยอย่าไปเพ่งกายเพ่งใจนักกายกับใจก็จะแสดงไกรลัก์ให้ดูเมืนใดเห็นนะักกายนี้ใจนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเรานะจะ ไ, ได้พระโสดาบัน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 หลวงพ่อถามพ่อรู้ว่าตอบได้เดี๋ยวเราพักก่อนนะรับถอนนะเดี๋ยวจะได้ไปทานข้าวถ้าใครมาที่นี่บ่อยๆนะต่อไปพอได้ยินเสียงะระฆังเนี่ยน้ำลายไหลยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนตีสาคารังเอวามวายโตทินังเปตานังอปกปติ อิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวาสมิฉตุสับเบพเพปูเรนตูสังกปาจันโทปันนาโสยัทามนิชโชติราโสยัทาสพีติโยวิวัตชันตูสัพรโรคโควินั ส, สตูมาเตภวัตวันต라โยสุขีตีขายยโกภวะอภิวาฒนาสีลิสนิจจังอุทธาปจายโนจตารูธรมาวัทันตียยุวันโนสุขัง พระลังพระวัตุสัพพังคลังรักขันตุสั พ, พเทวตาสัพพุทธานุภาเวนาสัพพธรรมานุภาเวนาสัพพสังขานุภาเวนาสดาสสทีพระวันตุเต